Book 2 2ยี่สิบห้าในเมืองบิลเซตาดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟเอสเวลุสอุสตซิยุดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Es v แ l o s uz Lidostu. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง e อ v แ l o s uz Pilsētas centru. ทร์ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะค่ะเอสวาโรนอคิวตุอุสตาซดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Kā es varu nokļūt uz Lidostu? d ดูสตูดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะก้าเอสวารุนัวปลิวต์อ s สบิลเซาเตสเซนทรูด n ฉันต้องการแท็กซี่มันอยู a ใ s พีทเชอร์ชัมส์ตั๊ก n ์เมตเตอร n สิฉันต้องการแผนที่เมือง Man ir nepieciešams pilsētas plāns. d ดิฉันต้องการโรงแรม Man ir nepieciešama viesnīca. d i ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์เอสวาลุสเอเรตอัตมอชิโนนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะเตะอินมาณเครดิตกา นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะเ i กอิร a มานาอัตวัดิตายอัปเลียตซในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะคั่ววา p ์เป t ซาตาอัปสกติคุณไปเมืองเก่าสิคะอายเซเยตอุสวัดเป t ซคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ ดูเดียเตสเอ็กซ์กูซเซียปาปิลซาตุคุณไปที่ท่าเรือสิคะอายเยตอุสอสตุไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะดูเดียเตสเอ็กซ์กูซเซียปาอสตุยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ